จะเรียนกรรมาฐานนะใจถึงถึงที่จริงแล้ง่ายง่ายกว่าที่นึกไปเยอะมันแค่รู้สึกเท่านั้นเองร่างกายของเราเป็นยังไงรู้สึกจิตใจของเราเป็นยังไงรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ทาอะไรที่เกินธรรมดานับปฏิบัติเกือบทั้งหมดจยชอบทาอะไรที่เกินธรรมดา หวังว่าทําอะไรที่ยากๆที่เกินกว่ามนุษย์ปกติแล้ววันหนึ่งจะรู้ธรรมะธรรมะคือคําว่าธรรมดานะให้เรียนรู้ลงไปว่าธรรมดาของกายนี้เป็นยังไงธรรมดาของจิตใจนี้เป็นยังไงดูธรรมดาใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่แหละส่วนใหญ่ชอบไปสร้างจิตของผุ่มขึ้นมาตัวนี้น่าตกใจน่าเสียดายเคยมีนะพูดเท่าคนหนึ่ง ตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งบวชไม่นานอยู่ที่เมืองการนะมีผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุ87ผู้หญิงนะมาหาลูกหลานตามมาในลูกศิลิ์หลวงพุทธเราก็โอ้รู้สิธ์อาจารย์เดียวกันนะรู้ศิล์ท่านก่อนเราซิเราอยูอายุไม่ถึง87ติดตามครูบาอาจารย์มานานนกหนานนะตั้งแต่ท่านไปสักใต้ก็ไปไปไหนก็ไปศึกษาธรรมะ ม, มากมาย เสร็จแล้วแกบอกว่าเนี่ยภาวนามาหกสิบกว่าปีนะทำไมปัญญามันไม่เกิดมันไม่เกิดมรรคผลอะไรมีแต่ความสงบนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นเอบอกแกว่ามันเกิดไม่ได้หรอกที่แกทํามันคือการเพ่งเวลารู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจแล้วจิตก็นิ่งๆอยู่กับลมหายใจนั้นปัญญามันจะเกิดได้ไงเมื่อวานพูดให้ฟังแล้วนะการเพ่งเป็นศัตรูร้ายเลย แต่ว่าบางครั้งจิตฟุ้งซ่านก็ต้องเพ่งให้สงบนะพักผ่อนเพื่อพักผ่อนนะไม่ใช่ว่าเพื่อสงบแล้วจะบรรู้มากคผลนิพพานคนละเรื่องกันเลแต่ว่าป้าคนนั้นหลวงพ่อแก้ให้ไม่ไหวนะถ้าคืนแก้แก่ตอนนั้นเนี่ยแกเก็บกดมาหกสิบกว่าปีจิตจะฟุ้งซ่านอย่างรุนแรงถ้าจิตฟุ้งซ่านรุนแรงแล้วมีเวลาเหลือไม่มากพอนะเดี๋ยวจะไปอบับายใช่ อย่างนี้ก็ไปพรห ม, มโลกก่อนนะแล้วเป็นพระพรมจับรูปอยู่เป็นรูปขบงรมจับลมหายใจแล้วค่อยมาฟังพระสีอานเทศเอาละับ ก, กันนะคนไหนแก้ได้ก็แก้ให้คนไหนแก้ไม่ได้ก็ยุส่งเลยในเดนกับพระสีอานแล้วน่าเสียดายตรงที่ว่ า, าศาสนาพระสีอานคําสอนของท่านกับคําสอนของพระโคดมก็อันเดียวกันนั่นแหละสอนอริยศัก์เหมือนกัน แต่ว่าเพราะว่าความมีทิฏฐิมานะของเราเราเชื่อเ อ, เองนะว่าต้องเพ่งให้นิ่งๆอะไรอย่างนี้ยทิฏฐิมานะของเราหรือเราเชื่ออาว่าต้องคิดเราคิดคิดคิดนะเรื่องกายเรื่องใจ อ, อาศัยทิฏฐิมานะนี่เอปิดกั้นเอาไว้จากธรรมของพระโคดมเราก็รอไปไปเจอพระสีอานผ่านเวลาไปหนึ่งพุทธันดรนีย่ยเพ่งยิ่งกว่าเก่าอีกชํานาญมากกว่าเก่าอีกนะ พระสีอานท่านมองมองแล้วก็เออเดี๋ยวรอพระพุทธเจ้าสอบอีกนะเหมือนที่เดินทางไกลในสังสารวัตรเนี่ยนอกจากว่าพวกไปทําบาปตกนรกไปอบายนานๆแลนะพวกทิฏฐิมาน้ำมากเนี่ยที่เนิ่นช้าพวกทิฏฐิมาน้ำมากทําให้เนิ่นช้าธรรมะที่ทําให้เนิ่นช้าท่านเรียกว่าปัปปันจะทำ ป, ะปัปปันจะทำมีสามันมาหนึ่งปัญหาอัน ท, ที่สองมาน้ำที่สามทิฏฐิ พวกเราพวกคนเมืองคญญาชนคนฉลาดคนเก่งเจ้าทิพิมนะนะวางตัวนี้ให้ได้แล้วเร็วถ้าวางไม่ได้มีแต่ความเชื่อมั่นเชื่อตัวเองเพ่งเอาเพ่งเอาแล้วก็คิดว่าต้องเพ่งไว้ก่อนแล้วจะดีที่หลังก่อนหลวงพ่อบวชนะเคยดูทีวีรายการสายไลท์โชว์ยังมีไหมหรือเลิกไปแล้วว่าทำไมมันทนนักหลักกัน <c oughs> ทนเหลือเกิน ตอนนั้นข้าวี่มนท่านอาจารย์เข้ามาหาบัวมาโกศชื่ออะไรเหรอยังอยู่ยเหรอ อ, อายุนะยืนคุณไตรภพก็ถามท่านบอกว่าอเนี้ยถ้าผมทําสมาธิไปเรื่อยๆมันจะเกิดปัญญาไหมท่านอุทานฮะเกิดอะไรนะบอกเกิดปัญญาไหมไม่เกิดคนละเรื่องกันสมาธิทําให้เกิดความสุขความสงบสมาธิคือการพักผ่อนอันนี้หลวงพ่อขยายความนะ สมาที่ในการพักผ่อนการเจริญปัญญาเนะี่ยเหมือนการทํางานการทํางานกับการพักผ่อนไม่เหมือนกันนะอย่างถ้าเรามาถามเราบอกว่าผมนอนมากๆแล้วผมจะรวยไหมเนี่ยก็เหมือนถามว่าผมทําสมาธิมากๆแล้วจะเกิดปัญญาไหมคําถามที่มีค่าเท่ากันเลยนอนมากๆแล้วผมจะรวยไหมไม่รวยต้องไปทํางานนะ ไปทำแต่ความสงบความนิ่งความเฉยซึมกระทืออยู่นะแล้วก็มีทิฏฐิมันนะว่าต้องอย่างนี้แหละต้องอย่างนี้แหละแล้วจะบรรลุหารู้ไหมว่าอาร า, ราดาบทุตกระดาบทเขาก็ทํามาก่อนไปมีพระองค์หนึ่งอยู่ทางสุรินพระองค์นี้เป็นคนที่จิตไวัยมากเลยไวัยมากเลยท่านชอบหลวงพ่อเพราะว่าเวลาเจอกันนะั้นท่านชอบมาเล่นข้างในนี่เล่นกีฬาทางใจกันนะเราไม่ชอบท่านนะหนีตลอดเลยไม่อยากเล่น เล่นไปเล่นมาอุ้บเบื่อวงนี้ท่านก็ทําใจไปสู่ความว่างทําสมาธินั่นเองแล้วน้ําใจอยู่กับความไม่มีอะไรเลยว่างว่างว่างว่า ง, างท่านก็บอกนี่นิพพานละพระทางสุรินก็หลอกท่านนะเฮ้ยลองไปคุยกันโยมประโมทสิพระทางน้อยไม่รู้จะทํำยังไงท่านก็อุตส่าห์นั่งรถทัวร์มานั่งเครื่องรถไฟมานี่มาหาหลวงพ่อที่กรุงเทพเนะ่ยไปนั่งคุยกันนะเวลาคุยกันเหมือนปนตรีกันนะ เสียงกันลงเล้งลงเล้งต่างคนต่างไม่ยอมกันง่ายๆเราเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อเอาอย่างนี้หลวงพ่อหลวงพ่อนะคืนนี้นะหลวงพ่อส่งจิตไปดูอาลาลาดาบทส่งจิตไปดูทกะดาบทเลยว่าจิตเขาเป็นยังไงเคยได้ยินชื่อใช่ไหมสองดาบทหลวงพ่อบอกเคยได้ยินเดี๋ยวคืนนี้จะดูอีกวันหนึ่งไปหาท่านคุยกับท่านไงดูแล้วเป็นยังไง เดี๋ยวลวงพ่อกลับก่อนดูแล้วมันก็เหมือนที่ท่านทำขึ้นมามันไม่สิ้นสุดนะเปนว่างอยู่อย่างนั้นลยอยู่กับความไม่มีอะไรอยู่กับความโล่งโลว่างว่า ง, งั้นสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องมือเหมือนดาบสองคมส่วนใหญ่เอาสมาธิม่เชื่อดีคอตัวเองตาย เรามีสมาธิจิตสงบจิตสบายนั่งเมื่อไรสงบเมื่อนั้นที่ตีมานะก็ะเยอะคิดว่านั่งไปอย่างนี้แนละ้วแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกนะคนละเรื่องนเลยทูตบ้ า, า์ไม่เคยสอนอย่างนั้นเลอย่างหลวงปู่มั่นเหลวงพ่อไม่ทันท่านนะท่านมรณะภาพปี92เรายังไม่เกิดสองสามปีถึงได้เกิดหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าสอนอย่างนี้นะคิดพิดจารณามากฟุ้งซ่าน หัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันที่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้มาตั้งหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีไปแล้วมาถึงรุ่นนี้ก็ยังทำแต่สมาธิอีกแหละส่วนใหญ่อย่างนั้นใช้ไม่ได้แล้วไม่เฉพาะแนวที่พวกเราฝึกนะแนวอื่นก็เหมือนกันอย่างคนดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจคนดูท้องของยุบก็เพ่งท้องเดินจงกรมก็ไปเพ่งท้ารูอริยาบถสีเพ่งมันทั้งตัวเลย ขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ไปเพ่งใส่มือไปถ้าไม่เพ่งก็คิดคนะิดเช่นคิดว่าขยับข่านี้แล้วเดี๋ยวต้องมาข่านีนะนะ้หรือคิดว่านี่หายใจออกนี่หายใจเข้านี่พองนี่ยุบ ค, นะคิดเอาคิดเอากับเพ่งเอาเนี่ยคือศัตรูของการทำนะิพพานคิดเอาก็คือหลงไปในโลกของความคิดที่หลวงพ่อเรียกว่าเผลอไปหลงไปนะเพ่งไว้ก็คือบังคับตัวเองอยู่นะสุดโต่งสองข้างเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้นะ ละทิฏฐิมานะซะนะมานะคือความถือตัวเช่นถือว่ากูเก่งหลวงพ่อเคยเจอนะบางคนพากันมาเป็นทีมใหญ่ๆ <c oughs> มีอาจารย์พามาลูกทีมเนี่ยฟังหลวงพ่อแป๊บเดียวรู้เรื่องอาจารย์ฟังด้วยความกระวนกระวายตลอดเล ย, เ, ยเดี๋ยวหลวงพ่อเกิดพูดขัดกับเราเราจะทำยังไงนี่กรนะวนกระวายลูกไม่รู้เรื่องหรอกตัวอาจารย์นะ ลูกทีมรู้เรื่องพอลูกทีมเขรู้เรื่องพอออกท้อยหลังไปนะเราก็เงี่ยหูตะแคงแอบฟังรีบไปอธิบายต่ออีกแล้วเนี่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ทุกแต่ของท่านชั้นสูงขึ้นไปขั้นต้นเท่งไว้ก่อ น, นไปนอนสิอีกตัวเองหลวงก็ยังไปพาคนอื่นเขาลงอีกนี่เพราะอะไรเขามีมันมะเป็นอาจารย์แล้วลงไม่ได้ลงจากหลังเสือไม่ได้แต่มีนะบางท่านหลวงพ่อนับถือเลยยกย่องเลยเป็นอาจารย์เป็นเจ้าสำนักนะยอมลงจากหลังเสือ มีบางวัดบางสำนักบางสายเลยซึ่งโด่งดังมากเลยมาเจอกันไม่กี่ครั้งนะตอนหลังท่านมาบอกว่าสำนักท่านเปลี่ยนการปฏิบัติแล้วแต่เดิมท่านดูแต่อริยาบทสี่แล้วไปเพ่งท่านไม่รู้ว่าเพ่งนะท่านคิดว่าคือการรู้ตอนนี้ท่านเปลี่ยนมามีความรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจท่านเปลี่ยนแปลงไปเยอะๆนี่มานะก็ถือว่าอะกูเก่งกูแน่กูดีนะ ทิฏฐิก็ทำอย่างนี้สีถูกทำอย่างนี้สีผิดมีแต่ธรรมะทำเนี่ย<ม>ตัณหาก็คืออยากพอลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่จะสงบอยากสงบเมื่อไหร่จะมีปัญญารู้แจ้งอยากได้ปัญญาเมื่อไหร่จะได้มรรคผลนิพพานอยากได้มรรคผลนิพพานทำด้วยความอยากความอยากครอบงำจิตไม่มีวันได้หรอกนะให้รู้กายไปรู้เล่นๆรู้เท่าที่รู้ได้แต่รู้บ่อยหน่อยนานๆรู้ทีนึ่งมันน่าเกลียด เอาเวลาหลงหลงเผลอเผลอมันน่าเกลียดนะคนคนหลงหลงเผลอเผลอเพราะเรามาเรียนกับหลวงพ่อทักช่วงเนี่ยจะรู้สึกตัวเองนที่ผ่านมาแล้วก่อนจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่น่าเกลียดน่าเกลียดต้องมีน่าเกลียดน่าเกลียดนะไม่ใช่น่าเกลียดธรรมดาเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วใจเราหลงทั้งวันหลงทั้งคืนในโลกนี้ไม่มีคนตื่นพอเราฟังธรรม็นจิตของเราตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเราเห็นความจริงเลยมันน่าเกลียดจริงๆ แล้วก็เห็นเลยกิเลสนี้เยอะเยอะเยอะเยอะกว่าที่คิดไปเยอะเลยแต่เดิมเห็นแต่กิเลสคนอื่นนะกิเลสตัวเองไม่เห็นมีคราวหนึ่งหลวงปู่ดุลไปเยี่ยมหลวงปู่เทศท่านรู้จักกันนานหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลเป็นผู้ใหญ่กว่าหลวงปู่เทศท่านก็นับถือหลวงปู่ดุลพนานนี่หลวงปู่ดุลไปธุระทางหนองคายก็แวะเยี่ยมหลวงปู่เทศเสร็จแล้วหลวงปู่เทศท่านก็ให้โยมที่อยู่ในวัดมาฟังหลวงปู่ดุลเทศ ให้ก็สอนเรื่องการภาวนาดูจิตดูใจไปนะถึงจุดหนึ่งจิตจะยิ้มย่ะกิเล็มีคุณป้าคนหนึ่งเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะยังมีชีวิตอยู่พอหลวงปู่ดูลับไปแล้วเนี่ยคุณป้านี่ก็ภาวนาใหญ่หัดดูใหญ่เลยดูจิตดูใจดูไปช่วงหนึ่งก็เข้าไปกลับเรียนหลวงปู่เทศหลวงปู่เจ้าคะดิฉันดูจิตออกแล้วและจิตของดิฉันยิ้มย่ะกิเล็ดล่ะไหนจิตเจ้าเป็นยังไงหลวงปู่ถามเพราะอะไร เพราะว่าท่านรู้ว่าไม่ใช่ถ้ารู้ถ้าใช่ก็ท่านไม่มาถามหรอกท่ก็บอกเออดีแล้วถูกแล้วที่ท่านถามง่ายจิตเจ้าเป็นยังไงจิตที่ท่นนะครับมันเห็นกิเลสแล้วยิ้มยอ่อกิเลสใครมีกิเลสนะ้วที่ท่นยิ้มยอ่อตลอดเลยนี่ <c oughs> มันยิ้มยอ่อกิเลสนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะถ้าเห็นกิเลสตัวเองนี่แหมมันเทียบเลยบางคนขยะกขยงตัวเองเลยนะเพราะเราเรียนให้เราเรียนรู้ตัวเองเราเรียนจุดอ่อนของตัวเอง เรีนสิ่งที่ผิดเรียนจุดอ่อนของตัวเองสิ่งที่ผิดคือเปลอกับเพ่งจุดอ่อนของเราเองก็คือเราซ่อนกิเลสเอาไว้เพียบเลยขุดคุ้ยตัวเองขึ้นมาปอกเปลือกตัวเองออกมาให้ได้อย่าสร้างภาพลวงตาเราแต่ละคนจะมีภาพลวงตานะวาดภาพของตัวเองไว้ให้เป็นคนดีก่อนต้องอย่างนี้นะมีมาตรฐานอย่างนี้จะอยู่จะกินจะใช้ข้าวของอะไรต่ออะไรต้องมียี่ห้อต้องอย่างนี้อย่างนี้นี่แหละคือตัวฉัน หรือชั้นเป็นคนดีชั้นใจบุญก็อยากให้คนอื่นเขาเชื่อด้วยถ้าเขาไม่เชื่อกุ้นใจนะเนีย่ยสร้างอะไรขึ้นมาหลอกตัวเองก่อนแล้วก็หลอกคนอื่นทีหลังเรานักภาวนาอย่าไปหลอกตัวเองว่าชั้นคือนักภาวนาดูลงไปเลยในก้อนเนี้ยก้อนธาตุก้อ น, นขันเนี้ดูลงไปมีแต่ของไม่เอาไหนทั้งนั้นเลยร่างกายก็มีแต่ของสกปรกมีแต่ความทุกข์บีบพั้นทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ความทุกข์ดูลงไปจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยง กิเลสตัณหานี้เพียบเลยทํางานอยู่แทบตลอดเวลาหลวงพ่อบอกซื่อๆนะจิตทั้งหลายเนี่ยที่เป็นกุศลนี่มีน้อยเต็มทีจิตส่วนมากที่เกิดขึ้นอากุศะจิตนะอย่านึกพยองลําพองนะเพาพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่ามนุษย์ส่วนมากตายแล้วไปอภัยนะไปอบายก็อะไรก็ราอากรุณ์มันเกิดอยู่แทบตลอดเวลาะนั้นเราอย่าสมาคนะ เราต้องเรียนรู้ความจริงนะจิตเป็นอกุศลอะไรเกิดขึ้นรู้ลงไปรู้ลงไปอย่าไปทําให้นิ่งนิ่งแล้วกิเลสมันไม่ทํางานขึ้นมาให้ดูนะอย่างไปนั่งเท่งเยี้งหลวงพ่อทำหน้าใครมาด่าก็เฉยนะเนี่ยใครมาด่าก็เฉยฉันเป็นคนดีเธอมันคนเลวนะ <laughs> ไม่ได้กินหรอกนะไม่เกี่ยวอะไรกับมันน่วฝุนะิพพานเลยมันแกล้งทําขึ้นมาดูของจริงลงไปนะ การภาวนาการดูจิตดูใจไม่ทราบว่าพวกพี่เลี้ยงเขาสอนอะไรนะหล่อก็ไม่มั่นใจหรอกนะเอาแค่ง่ายๆก็คือว่าถ้ากิเลสอะไรโผล่ขึ้นมาคอยรู้ไวๆหน่อยก็แล้วกันนะเอาแค่นี้แหละนะกิเลสนะีโผล่ตลอดเวลากิเลสโผล่ตอนไหนกิเลสโผล่ตามหลังการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยกตัวอย่างอย่างเราอยู่หญิงห้อยชาเล่นะ มีดอกไม้สวยนี่คนไหนชอบดอกไม้ตาเมาเห็นดอกไม้ปุ๊บตาเห็น hmm. ปุ like ๊บใจมันชอบละนะใจมันอยากได้ใช่ไหรู้ว right> ่าอยากได้ไม่ใช่ตาเมาเห็นดอกกุหลาบรู้ว่าดอกกุหลาบนะอย่างนั้นไม่ใช่นะตามมาเห็นดอกกุหลาบนะใส่ใจมันชอบใช่ไหมรู้ว่าชอบนี่ต้องอย่างงี้นะดูมันร่มรื่นกลางวันแล้วดูสบายร่มรื่นอยู่แล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขกลางคืนน่ากลัวนะต้องทําเสียงให้น่ากลัวใช่ไหม กลคืนน่ากลัวรู้ว่ากลัวนะแต่อย่าเพ่งพลานงูมันก็มีเหมือนกันแหละจะไปไหนก็ต้องฉายไฟนเนี่ยเรารู้ของเราอย่างเนี่ยรู้ลงไปซื่อๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจคอยรู้ไปถ้าเราไปเพ่งจิตให้นิ่งเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสอะไรให้ดูมันจะนิ่งๆตามมงเห็นแล้วก็งั้นงั้นหูได้ยินแล้วก็งั้นงั้นแต่ถ้าเราไม่ได้เพ่งไว้เนี่ยปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมดาธรรมดานี่ กระทบแล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาตลอดเลยนะเช่นเห็นหน้าคนนี้ก็ชอบเขาละนี่มันเพื่อนเราเห็นแล้วดีใจชอบเขารู้ดีใจก็รู้เห็นคนนี้ก็หมั่นใส้ไปละเคยเป็นไหมใครไม่เคยเป็นก็โกหกนั่นแหละนะใครจะโกะหกบ้างใครไม่เคยโกหกมีไหมใครจะโกะหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกหกมีไหมนะ ซ, ซื่อซื่อต่อตัวเองนะซื่อซื่อต่อตัวเองหลายคนเรียนกับหลวงพ่อแล้วหน้าด้านนะ อย่างวันดีคืนดีก็มาส่งรายงานดิฉันเป็นคนขี้ฉาเลือเกินหลวงพ่อบอกโอ้ดีจังดีที่รู้ความจริงรู้ความจริงแล้วเนี่ยกิเลสตัณหานะพอเรารู้ทันนะมันเหมือนความมืดนะกิเลสตัณหาทั้งหลายพอเรารู้ทันเรามีสติสัญญารู้ลงไปเหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดจะหายอัตโนมัติเลยหายทันทีไม่ต้องไปคิดไลกกิเลสออกจาไว้นะกิเลสไม่ได้มีเราไม่มีหน้าที่ไปไลกกิเลสนะเรามีหน้าที่ไปรู้มัน ทันทีที่รู้ความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ดับลงทันทีเลยเะฉนั้นะไม่ต้องกังวลนะให้บางคนมาถามหลวงพ่อว่าดูจิตแล้วมันจะละกิเลสได้ไงนะละได้สิกิเลสมันเกิดตอนที่หลงต่างหาก่ะหลงไปปลูงแต่งต่างหลงไปคิดไปนึกไปปลูงไปแต่งเพรามีสติไม่หลงไปกิเลสไม่เกิดกนะิเลสไม่เกิดนะไม่ใช่ละกิเลสนะคนละเรื่องกันกิเลสไม่มีเหตุไม่มีช่องทางที่จะเกิด แต่ว่าเมื่อกิเลสเกิดแล้วไม่มีมนุษย์หน้าไหนละกิเลสได้นะกิเลสก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปไม่มีใครเข่งที่จะละกิเลสได้เหมือนอย่างไฟไหมไฟไหมไม่มีใครดับไฟได้ไม่มีใครดับไฟได้เลยไฟไหมเพราะอะไรไฟไหมเพราะมีเหตุให้ไฟไหมมีเหตุก็เช่นมันมีความร้อนมีประกายที่นมามีความร้อนมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนอะไรเงี้ย ไม่มีใครดับไฟได้แต่ว่าเวลาก็ดับไฟเนี่ยเขาไปทําลายเหตุของไฟอย่างมันมีเชื้อเพลิงก็ดึงรื้อบ้านไฟไฟไม่มีอะไรจะลามไปก็ดับมันอุณหภูมิสูงเาน้ําไปราดมันมันก็ดับไม่มีใครดับไฟนะนเราไปดับเหตุของไฟกิเลสก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปดับมันหรอกเราดับเหตุของมันเหตุของมันนี่ความประมาทขาดสตินี่เองเราคอยรู้สึกรู้สึกรู้สึกไว้กิเลสไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้องดับกิเลสนะ ไม่ต้องดับกิเลสทุกก็ไม่ต้องดับมันทุกให้รูนะ้กิเลสก็อยู่ในกองทุกเรียกว่าจะอยู่ในสังขารขันหน้าที่ของเราต่อกิเลสคือการรู้กิเลสไม่ใช่การละกิเลสนะแต่เมื่อเรารู้ขันแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยตันหาจะถูกละโดยอัตโนมัตินี่ยรู้ทุกแล้วละสมุขใจมันละของมันเองเราไม่ต้องไปนั่งละไม่มีใครละได้นะทันทีที่ตันหาถูกละนิโรธคือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาโดยอัตโนมัติเลย เราจะพบว่าโอ้โง่ไหลมันอยู่ตรงนี้มันนานแล้วนะไม่เห็นเนี่ยตอนไปเรียนกับหลวงปู่สุวัสดินะ์ท่านนีก็เคยพูดอย่างนี้ให้ฟังนะบอกว่าพอแจ้งขึ้นมาแล้วนะท่านด่าตัวเองเลยเราอย่าไปด่าท่านนะท่านท่านเล่าว่าท่านด่าตัวเองท่านด่าว่าโอ้ยโง่โง่แท้นอ้อโง่ไหลโง่หลโง่แทะของอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละเห็นนะก็เห็นนะเพราะว่าถ้าเข้าใจธรรมะเป็นลําดับลําดับไปก็เริ่มเห็นนิพพานนะ้ แล้วก็ปราดกฏอยู่ต่อหน้าต่ตาแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่เข้าใจสภาวะที่ค้นความปรุงแต่งมีอยู่ตลอดเวลานะในขณะนี้ก็มีอยูแ่แต่เราไม่เข้าใจเราไม่เห็นเราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะความปรุงแต่งในใจเรานี่แหละปิดบังไว้มันทําให้เราไม่เห็นความไม่ปรุงแต่งอาจารย์อานาจเนี่ยท่านบรรยายมีอยู่บทหนึ่งท่านบอกอะไรนะระลอกคลื่นบางน้ําใสระลอกคลื่น มันบางน้ําใสแต่รอบขึ้นก็คือตัวความปรุงแต่งนั่นเองก็บางสภาวะธรรมตัวแท้ๆของสภาวะธรรมเอาไว้ดังนั้นให้เรารู้ทันความปรุงแต่งไปจิตใจมีกิเลสขึ้นมารู้ไปถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสเกิดจิตใจรู้ไม่ทันจะหลอกให้เราทํางานจะดิ้นโรนค้นค้าฝ่ายคว่ า, วาอารมณ์โน้นอารม ณ, รม ณ, รมณ์นี้ไปเรื่อยๆหรือกระทั่งกุศลเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะหลอกให้ทํางานเหมือนกัน ในขั้นของการทํำวิปัสสนาเนี่ยกูสนแน่กูสนล้วนแต่หลอกให้เราทํางานเหมือนเหๆกันนั่นแหละแต่ทํางานคูระแบบอันหนึ่งหลอกให้ทํางานที่ดีก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีอันหนึ่งหลอกให้ทํางานที่ชั่วก็ไปสู่ภพภูมิที่ชั่วรวมความแล้วต้องไปสู่ภพภูมิอันใดอันหนึ่งนะแต่ถ้าเรามีสติจนกระทั่งหมดการทํางานการทํางานของจิตนั่นแหละคือคําว่าพบนะคำเต็มๆของมันคือคพาพําว่ากรรมภพ เพืาอฉนนถ้าเรารู้ทันกิเลสตัณหาไม่ย้อมจิตนะจิตก็จะไม่ดิ้นรนทางานขึ้นมาก็จะไม่สร้างพบขึ้นมาเมื่อพบไม่มีความรู้สึกว่ามีเราก็จะไม่มีขึ้นมาเมื่อไม่มีเราเป็นที่รองรับแล้วที่ตั้งของความทุกข์ก็จะไม่มีขันน่าเป็นทุกข์ไปแต่ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ไม่ใช่ว่าขันไม่ทุกข์นะขันของพระละหันก็ทุกข์นะแต่พระลหันท่านไม่ยิบฉวยขันเอาไว้ขันก็ทุกข์ส่วนขันไป กนะารหันท่านก็เป็นทุกข์อะไรของท่านด้วยแล้วนะเราฝึกเราค่อยๆทําความเข้าใจนะทำมาลึกซึ้งหนะลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะพวกเรายัางตามคุณสุสเมศมาหนะลวงพ่อกล้ายืนยันเลยนะถ้าเรียนจะหลวงพ่อเข้าใจแนละ้วเจอง่ายไปหมดเลยกรรมฐานอะไรก็ง่ายนะเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้มันคือหลักคือแก่นของการปฏิบัติเราจะเอาไปสวมใส่เปลือกอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยที่เคยทํามานะคนไหนเคย เดินแนววัดป่าก็เดินได้แต่เดินแบบอย่างถูกต้องไม่ใช่เดินแบบติดสมาธิดูท้องฟองยุบมาก็ดูต่อไปได้ไม่ใช่ดูแบบติดสมาธิส่วนใหญ่ก็คือไปเพ่งท้องเพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งลมเพ่งมือแทนที่จะรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนี่ก็ดีใจด้วยนะมุตบามา แล้วก็ถ้าคนไหนไม่ดือ้อหลวงพ่อดูหน้าวันนี้ความดื้อลดลงไปเกือบหมดแล้วนะเมื่อวานนะใช้กำไม่สุภาพนะบางคนโคตรดื้อเลยนะหลวงพ่อถึงต้องมาเล่าประวัติตัวเองเนะมื่อํานองเดียวกับสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้ากลับไปกระ บ, บิลพั์ใช่ไหมญาติโกโหติกาเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่เชื่อท่านเลยต้องเล่าชาดกให้ฟังเนะมื่อวานหลวงพ่อก็เล่าชาดกให้ฟังนะ แต่ชาดกสมัยใหม่ว่าเราภาวนามาอย่างไรนะเราศึกษามากับครูบาอาจารย์อะไรยังไงเพื่อลดทิฐิมานาของบางคนนั่นเองนะวันนี้ใจของแต่ละคนพร้อมต่อธรรมะมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกตัวบ้างไหมว่าจิตเราสว่างสวัยกว่าเมื่อวานนี้เยอะเลยรู้สึกไหมนะจิตใจเราจะปลอดโปร่งโล่งเบานะแล้วถ้าไม่ดื้อ น, นะสี่วันเนี้ยค่อยฟังเล่นๆไปไม่รีบร้อนว่าจะต้องดีในสี่วันนี้ สีวันนี้ฟังเล่นๆไปแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปใจลอยคอยรู้ไปหัดไปอย่างนี้เรื่อยๆเพียงในเวลาเดือนเดียวนี้แหละเราจะพบว่าเราเปลี่ยนไปซะแล้วความรู้สึกนึกคิดชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างรวดเร็วเลยรู้ได้ด้วยตัวเองอาจจะไม่ถึงพระโสดาสกิภาคาหรอกมันไกลต้องใช้เวลาภาคเปลี่ยนไปอีกแต่ว่าเราจะเป็น กา ล, ลยาณนะปูุ่ชนไม่ใช่ปูุ่ชนกระจอ ก, กง่อยธรรมดาลแล้วเป็นทุชนที่ดีนะปู่ทุชนที่เข้าใกล้ต่อธรรมะมากขึ้นมากขึ้นทุกก้าวที่เดินไปนะวันหนึ่งเราจะเข้าไปลิ้มรสธรรมะตัวจริงเพาะฉะนั้นเรค่อยรู้สึกนะนในเวลาเดือนเดียวก็จะเปลี่ยนนะถ้าไม่ดื้อนะค่อยหักอย่างที่หลวงพ่อบอกพวกไหนติดเพ่งรู้อยู่ว่าติดเพ่งนะก็หยุดก่อนนะหันมาดูปล่อยให้ใจมันทํางานแล้วก็ตามรู้ตามดูไปเดือนหนึ่งก็เห็นผลล้ว นะคนรับๆตัวเขาก็จะบอกนะว่าเราเปลี่ยนไปเราเองก็จะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเคยทุกข์นักมากมก็เหลือทุกข์สั้นๆทุกนิดเดียวไหลแว บ, บขึ้นมานะความสติปัญญารู้ทันความทุกข์ก็หายไปแล้วหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนนะหลวงพ่อยืนยันหน้าตาจะสวยขึ้นสาวขึ้นนะหนุมน่มๆก็จะหล่อขึ้นนะที่หนุ่มน้อยหน่อยก็จะดูหนุ่มเยอะขึ้นนะความหนุ่มเหลือน้อยแล้วก็จะเยอะขึ้น ว่าสองสามเดือนเนี่ยมีหนังสือหนังสือแอลนะเป็นโงมีผู้หญิงสัมภาษณ์ผู้หญิงหลายคนบอกว่าทำยังไงถึงสวยบริหารร่างกายทำโน้นทำนีนะ้มีอยู่คนหนึ่งนะมีซีดีหลวงพาอประโมทซีดนะีหลวงพาอประโมททำให้สวยได้จำไว้นะ <c oughs> แต่อย่าเอาครีมไปทาซีดีแล้วถูหน้านะ <c oughs> อย่างนั้นเรียกว่าใช้งานผิดประเภท ฟังฟังธรรมะไปจนจิตตื่นขึ้นมาเราจะสวยอัตโนมัติเลยครูบาอาจารย์บององภาวนามาแต่เด็ก ๆ, ๆหลวงพูดเทศใครเก็บรูปท่านบ้างมีอยู่รูปหนึ่งนะเหมือนเนรเลยเรานึกว่าโอ้ี่หลวงปู่ตอนเป็นเนนเราอายุสามสิบตอนนั้นอ่ะอายุสามสิบนะหน้าตาย่งกะเนเนรเเพราะฉนั้นภาวนานะคนไหนอยากสวยเนี่ยหลวงพ่อก็มีสิ่งหลอกลวง บางคนยังมีกิเลสนะเราต้อเอากิเลสหลอกเห็นไหมภาวนาแล้วสวยเนี่ยภาวนาแล้วรวยรวยจริงๆนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยเราถูกกิเลสลากให้ไปซื้อนู้นซื้อนี้ตลอดเวลาเราภาวนาแล้วเราก็รู้ทัน จ, จิตใจมมันอยากขึ้นมาปุ๊บรู้ทันมันจะเหลือเหตุผลแล้วจะซื้อด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่ใช่ซื้อเพราะอยากแล้วนะแต่ว่าพอขาดสติก็ จ, จะลงไปอีกนะเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยพวกทีมพวกเนี้ยแต่ว่าก่อนทีมพวกนี้ เคยมาเล่าบอกว่ า, วาหัดดูจิตเองวันนึงไปช้อปปิ้งไปเที่ยวศูนย์การค้าหเห็นกระเป๋าสวยนะอยากได้รู้ว่าอยากได้แล้วก็เผลออีกแว บ, บหนึ่งกระเป๋ามาถึงบ้านแล้วเนี่ยถ้าถ้ารู้เร็วว่า น, นี้นะไม่เสียเงินเห็น <c oughs> ไหมเนี่ยภาวนาแล้วรวยขึ้นนะภาวนาแล้วรวยไม่ต้องเสียเงินอย่างพระนี่ก็สบายนะ พวกเรากินข้าววันหนึ่งหลายบาทถ้ากินข้าววันละบาทเองเห็นไหมวันละบาทเน่ยถ้าเรามีสตินะมันพอมันพอเพียงนะมีชีวิตอยู่อย่มีความสุขมีสติเราก็มีศีลเห็นไหมเราก็รวยขึ้นมาเราก็มีความสุขขึ้นมาเราก็มีศีลเรามีความสวยมีสิ่งที่ดีๆหลายอย่าง อันนี้ต้องพูดเรื่องนี้บ้างนะไม่งั้นพูดแต่ธรรมาร้วนๆเครียดเกินนะเพราะฉะนั้นอยากสวยๆนะภาวนาไวนะ้แล้วเราจะมีเสน่ห์นะไม่ต้องห้อยอะไรที่เกะกะคอนะเราจะมีเสน่ห์ในตัวเองเมืนะ่อก่อนหลวงพ่อรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายผักชื่อแม่สะเกียวมันรู้ยังอยู่ไหมนะอยู่สุรินทร์ ผักของแกนะบางวันขายได้นะแกก็ยิ้ยมนะวันไหนขายไม่ได้ผักเหี่ยวแกก็ยังยิ้มของแกอยู่ได้มีความสุขแกนั่งดูของแกทุกวันแต่เดิมเวลาคนมาซื้อเยอะดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยวันนี้คนไม่มาซื้อเลยผักชักเหี่ยวแล้วกุ้มใจรู้ว่ากุ้มใจหัดนะดูของเขาอย่างนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งนะจิตเขามีความสุขผักจะเหี่ยวหรือไม่เหี่ยวคนจะมาหรือไม่มาเขาก็ยังมีความสุข ข, ของเขาอยู่นั่นแหละฉะนั้นหลับไปฝึกนะฝึกแล้วจะได้ สิ่งที่ดีๆในชีวิตชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างที่นี่ก็มีวันนี้หมาปราชนินท่าถ้ามาก็ช่วยไม่ได้นละ้วหลวงพอหือว่าสแกนแล้วไม่เห็นนะมีครูคนหนึ่งอยู่ชีบุรีครูคนเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นเป็นหนังแบบครูไหวใจร้ายอะ่ะชอบตีเด็กนะพอมาหัดดูจิตดูใจนี่ครูบอกเลยว่าพ่อมาจริงอะ่ะ <laughs> เอาโชว์ตัวหน่อย เห็นเดี๋ยวนี้เป็นครูสุดสวยแลย้วเห็นไหมนะครูสดใสอันะหลังๆเด็กตกใจครูเป็นอะไรทาไมไม่ตีนะนะครูมีความสุขเด็กก็ไม่ดือ้อรู้สึกไหมครูว่างไงเด็กมันดื้อน้อยลงไหมเออมันจะมีความสุขทั้งโรงเรียนเลยกลับบ้านในคนในบ้านมีความสุขนะหลายคนนะเคยมาภรรยามาเรียนกับหลวงพ่อหรือสามีมาเรียนกับหลวงพ่ออีกคนยัง ไ, งไม่ได้มา อย่างมีผู้ชายคนอยู่เมืองกาญภรรยามาฟังทำนะกลับบ้านไปสดสใสเชอะสามีรู้สึกแหมเนี่ยเราเป็นอะไรวะน่ากลัวจังมันเคยดา่าเราทุกวันแต่นี้มันไม่ดา่ามันจะมาไม้ไหนนะเนี่ยมันไม่ด่าก็กลัวนะเพราะมันเคยดา่ามันเคยโบนชัดตัวแล้วแหมหลายหลายวันไปแหมมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะสาวขึ้นสวยขึ้นนะเรียบร้อยขึ้นใช้เงินน้อยลงบ่นน้อยลงเนี่ย สงสัยมาวัดนี้หลวงพ่อนี้ทําอะไรทำสเสน่มันรึเปล่าหรือสะกดจิตมันตามมาดูนะเอามาดูมานั่งฟังฟังฟังไปเราจะมีความสุขได้ทางบ้านนะมีความสุขงั้นหัดภาวนาไปแล้วคนในบ้านจะมีความสุขตัวเองมีความสุขก่อนแล้วคนที่แวดล้อมอยู่จะมีความสุขบางแห่งนะมาเล่ามาขอบคุณหลวงพ่อคนนั้นเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วเป็นเจ้าของกิจการอยู่ทางเหนือนะมาเล่าบอกว่า บริษัทเนี่ยใกล้จะเจ๊งแล้วเครียดไม่มีออเดอร์เครียดมากเลยใกล้จะเจ๊งพอเครียดแล้วทําไงเครียดแล้วก็ด่าลูกน้องสิแก้เครียดแลลูกน้องก็เลยเครียดทั้งบริษัทเลยแกก็ฟังซีดีไม่เคยมานะฟังซีดีลวงพ่อไปเรื่อยๆฟังแล้วก็หัดดูหัดดูของเลงวันหนึ่งเดินเข้าไปในบริษัทนะเดินยิ้มเข้าไปลูกน้องใจหายวันนี้คงจะได้ส่องข่าวแล้วนะปรากฏว่ายิ้มหลายๆวันนะลูกน้องก็ยิ้มด้วย ลูกค้ามาติดต่อแนละ้วก็ยิ้มได้นะอบอกเดี๋ยวนี้ตัวอผู้ชายเนี้ยชักร่วมใจอีกแล้วออเดอร์เยอะไปทําไม่ทันะชักจะหน้าหงิกเดี๋ยวหน้าหงิกคงด่าลูกน้องก็งด่าลูกน้องลูกน้องก็ไปหงิกกับลูกค้าแลลูกค้าก็ลดลงคงปรับสมดุลของตัวเองอะฝึกนะฝึกไปหัดลุกกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้กิเลสอะไรเกิดแล้วรู้อร เ, รอเอาแบบนี้จะตรวจกันบ้าน ไหนไม่โคตรอยู่ไหนอย่าเกี่ยงกันว้องไวเวลาจำกัดมากเลยเมื่อวานนี้นี้อย่างนี้จิตเน่ยไปสร้างครบไว้อันนึงแล้วยังติดอยู่นะจบไปใช้ได้แล้ววันนี้ดีกว่านะวันนี้ดีกว่าวันวาวันนี้ดีแล้วเดี๋แล้วก็ดูไปอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเสื่อมแล้ว เอ้าสร้างพบไว้อันหนึ่งดูออกไหมครับมีติดอะไรออติดอยู่รู้ว่าติดอยู่นะวันนี้มันซึมซึมอะค่ะอ่าตอบถูกแล้วก็ไม่ชอบมันนั่นไม่ชอบปัญหาไม่ได้อยู่ที่ซึมแต่ปัญหาอยู่ที่ไม่ชอบสภาวะใดๆเกิดขึ้นก็ได้นะพวกเราอย่าไปเกลียดมันเช่นจิตมันซึมหรือจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันไม่มีความสุขอย่าไปเกลียดมันถ้าใจไม่ชอบมันให้รู้ว่าไม่ชอบ ใช้หลักการปฏิบัติอย่างนี้นะบอกว่าพิสูจทั้งหลายเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยความยินดียินรายเกิดที่จิตให้มีสติรูนะ้ทันเพราะงั้นไม่ต้องไปแก้ไขสิ่งที่เราไปรู้เช่นเราไปเห็นตัวเองหน้าเหี่ยวเนี่ยใจมันแป้วขึ้นมาให้รู้ที่ใจแป้วไม่ใช่ภาวนายังไงนะใจจะสดใสไม่จําเป็นให้รู้ที่ใจแป้วถ้าใจมันแป้วแล้วไม่ชอบเลยอยากให้สดใสให้รู้ที่ไม่ชอบที่ความยินรายนี่ เพราะนั้นใจเราซึมให้รู้ว่าซึมซึมแล้วอยากหายให้รู้ว่าอยากหายอ่าตอบไปวันนี้รู้สึกตัวมากว่าเมา่อวานมากกว่าเมื่อวานะแต่ก็ยังเผลออยู่บ่อยมากยังวดอยู่ปัญหาของคุณไม่ใช่เผลอนะปัญหาของคุณอยู่ที่กลัวเผลอพอกลัวเผลอเ ล, อเลยปิด ก, กดเอาไว้นะอ้ายังรู้สึกเหมือนบังคับจิตอยู่อ่ะาแต่ว่าช่วงช่วงรารนี้เบาขึ้นค่ะเออดีอ้าวโซไป จิตไม่เป็นกลางค่ะแล้วถูกไม่เป็นกลางไม่ถึงถามด้วยนะจิตมันนิ่ๆงๆ น, นะหลวงพ่อจิตจะนิ่งๆเฉยออให้รู้ไปนะคนที่ชอบทําสมาธิจิตมันจะติดเฉยแล้วเราต้องดูไปเฉยๆดูเฉยๆ ส, สิถ้าบอกว่าจะแก้ยังไรหลวงพ่อจะหันไปด่าพวกวิท ย, ยากร <c oughs> ถือว่าสอบตกหนูเพลงหรือเปล่าคะสงสัยไหม สสงสให้รู้ว่าสงสัย ร, รู้ลงปัจจุบันตาบใไพว่าเพ่งยังเพ่งอยู่นะรู้สึกไหมเวลาเราเพ่งนะใจจะนิ่งนิ่งทื่อทือนิ่งนิ่งซึมซึมทื่อ ๆ, ๆืออยู่นิดหนึ่งใจมันมีความทื่อทืติดอยู่นิดหนึ่งเันหนึ่งก็มีนะเันหนึ่งติดสมาธิเยอะอยู่ค่อยๆรู้ไปถ้าเราปล่อยเนะยมันจะทํางานให้เราดูมันจะเห็นใจรักแต่ถ้าเราเพ่งเรายังไม่มีใจรักให้ดูรู้สึกดีใจแต่ว่าใจมันเป็นแรงแรงเป็น เรวก็ฟังซีดีหลวงพ่อนะคะเคิดว่าไม่ทราบว่าเข้าใจถูกป่ะนะคะที่เคยนั่งแล้วมันลำทานไอ้บางทีมันผุดอักขโซนขึ้นมาแล้วเราก็ไปอย่าไปคิดอย่าไปคิ ด, คดมันแล้วมันก็อึดอัดทําไม่ได้แต่หลังจากฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเข้าใจก็คือที่มันผุดเราก็รู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งตอนนี้ก็รู้สึกว่าเกิดมันโล่งขึ้นอ่ ะ, ะ<ล>ไม่ทราบว่าทําถูกหรือยังถูกนะแล้วก็ต้องไปทำอะไรต่อไหมะไม่ทําสิดรู้รูปเดียว ฟังที่ท่านสอนแล้วก็ไปทำต่อใช่อลงขอบมองไปขอค่ะค่ะให้รู้นะรู้อย่างเมื่อกี้ตันวะละรู้สึกไหมมีความสุขแต่หลงรู้สึกไหมมีความสุขแต่หลงอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่จิตหลงไปเสือไปเนี่ยมีความสุขไดนะ้ในขณะที่จิตเกิดโลภะมีความสุขได้จิตแต่ว่าในขณะที่มีโทสะ จะไม่มีความสุขนี่รู้เล่นๆนะต่อไปเราจะรู้เราจะเห็นกลนไกของจิตใจเ อ, เอเบอร์ห้าว่าไปาไม่สราบควารู้สึกตัวถูกหรือยังคะเบอร์ห้านี่สมก็อยู่ไฟฟ้ า, าประหยัดไฟยังบังคับอยู่นิดนึงนะแต่ใจเกือบจะตื่นละวันนี้พวกเราหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะรู้สึกตัวเองไหมรู้สึกไหมมันจะโล่งๆมันจะเหมือนใสๆออกมาจากข้างในนะถ้าเราฝึกไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งใจเราไม่ปรุงเนี่ยมันใสถึงกระดูกเลยนะ สาออกมาถึงกระดูกเลยจะสายจับเยื่อในกระดูกออกมาเลยโหลไปคิดละเบอร์ห้ารู้สึกไหมเบอร์ห้ารู้สึกไหมยังปวดอยู่ยังมีการปวดนะอ่าเบอร์หกค่ะรู้สึกว่าใจเต้นตึกตึกแล้วเบอร์หกนาใช้ได้แล้วมันต้าที่ททไม่เป็นคองค่ะดีแล้วที่พอนายอยู่ใช้ได้แล้วพอนายได้แล้วแต่ยับระมาณนะมันเสื่อมได้ยังเป็นโลเกียทําเอย เนี่ยทนทนนะมาเรียนสี่วันนะคุ้มนะหลวงพ่อกล้ายืน อ, อย่างเลยเข้าใจเนี่นะมันย่นการปฏิบัติของเราได้หลายสิบปีเลยอย่างคนทํามาทั้งหลายสิบปีแล้วไม่มีอะไรพัฒนาเนะฟังให้รู้เรื่องเถอะแคบเดียวเราจะเปลี่ยนโดยที่ตัวเองรู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยอ่าเบอร์เจ็ดค่ะรู้สึกใจเต้นค่ะแล้วก็มีทึ่อๆอยูห่หน่อยหน่อยอ่าเราเสร็จต้องไหนมองหน้าหน่ย <c ười> ใช้ได้นะ้ใช้ได้พวกนี้กับทุกครัที่ทําก็จะมีรู้สึก มีเหมือนเจอแต่ที่ว่างครับไม่ไม่ไม่ ไ, มได้รู้สึกอะไรมากถ้าอยู่ดูเราไปทีไรก็ว่างเนยอย่างจงใจดู <c oughs> เลยเลิ่มปฏิบัติซะแล้วให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาพอกระทบแล้วปล่อยให้จิตใจมันเกิดความรู้สึกปฏิกิริยาทั้งหลายเนยรู้สึกขึ้นมาตามธรรมชาติของมันนะ <c oughs> อย่าไปจงใจปฏิบัติด้วยการทําความรู้สึกตัวให้ตลอดเวลา ถ้าจงใจทําความรู้สึกตัวมันจะเหมือนแกล้งรู้สึกนะจะรู้สึกรู้สึกตลอดเวลามันจะกลายเป็นกันเสี่ยงไว้มันจะโลงโล่ ง, ลง ใ, ใจมันจะล่งโล่ ง, ลงไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้เจตนาจะรู้สึกเนี่ยเผลอๆไปเห็นคนนี้ก็ดีใจเดินเดินอยู่งูเลื้อยผ่านมาเนาะตกใจมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมัาเราคุณมันไปตรัสถองไว้นิดนึงเหมือนก็เลยเฉยไปไปดูนะสังเกตไหมเรายัางจงใจรักษาจิตไว้อย่ารักษามัน เราไม่มีหน้าที่รักษาจิตนะหน้าที่ของการรักษาจิตเป็นหน้าที่ของสติไม่ใช่หน้าที่ของเราทันทีที่สติเกิดเนี่ยสติจะรักษาจิตโดยอัตโนมัติรักษายังไงถ้าจิตในขณะนั้นเป็นอกุศลอยู่อกุศลจะดับทันทีรักษาอย่างไงอกุศลจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ในขณะที่มีสติรักษาอย่างไงทันทีที่มีสติจิตก็เกิดอกุศลเรียบร้อยแล้ว แล้วก็กุศลจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นคือสติจะเกิดได้เร็วขึ้นเร็ขนะึ้นเพราะฉะนั้นสติเมื่ไหร่มีหน้าที่รักษาจิตเราไม่มีหน้าที่รักษาถ้าเมื่อไหร่เราคิดจะรักษาจิตจะรักอยากรู้สึกตัวตลอดเวลาเราจะไปเพ่งจิตมันจะกลายเป็นการเพ่งนะไม่ใช่การรักษาจิตอะไรหรอกกลายเป็นการเพ่งให้จิตนิ่งๆอย่าไปรักษามันอย่างนั้นให้หัดฝึกไปจนสติเกิดแล้วสติก็รักษาจิตของเขาเอง อ่าคุณสุมเมศตอนนี้ไม่มีเบอร์เนี่ยไม่ให้ดีกว่าโ <c oughs> น่นน่ยเบอร์สิบเ็ดเบอร์ไหนเบอร์เก <c oughs> ้าเหรอคะตอนนี้รู้สึกสื่นแก้นนะจะผ่าใจจะเส้นแรงมากเลยี่ภาวนาอยู่ <c oughs> ดีขึ้นแล้วนะใจเริ่มสื่นขึ้นมาแล้วขอาคุณผู้ชายนี้ใช้ได้แล้วนะของเบอร์เบอร์อะไรเบอร์แปดอ่ะะใช้ได้อยู่แนละ้วให้แค่แค่ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้นิดนึงนะใจมันสื่นแล้วค่อยไล่สั่น เบอร์เก้าดีแล้วใช้ได้ฮะเบอร์สิบเากำลังรุ่มใจให้เข้าไปคนทุกคนร้อนต <Yes> ื น, น, นเต้นจ้ อ, อาจารย์เห็นกิเลสรือยังเมื่อวานเห็นไหมเห็นกิเลสได้บ้างยังพอนิดหน่อยอะค่ะดูไปนะวันแรกๆก็เห็นน้อยๆหน่อยเห็นก็จะเห็นกิเลสหยาบๆเช่นโกรธอะไรอย่างนีแ้แต่ไปเราจะเห็นกิเลสที่ละเอียดละเอียดขึ้นนะเช่นความขัดใจเล็กๆน้อ ย, อยๆอะไรก็จะเริ่มเห็นเห็นเอง อย่างหลวงพ่อตอนหัดใหม่ๆนะที่แรกต้องโกรธก่อนถึงจะเห็นเลยนี่มีวันหนึ่งอยู่ในห้องเนี้ยเราเปิดประตู อ, อกไปแสงแดดกระทบเปลือกตานะแป๊บหัดใจแล้วความโกรดเกิดแล้วเห็นไหมมันจะสตีมอย่าเร็วขึ้นเร็วขึ้นค่อยๆฝึกไปอ่าเบอร์สิเอ็ดหลวงพ่อกขารู้ปัจจุบันรู้สึกยังไงก็รู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ซื้อซื่อสตว์ตัวเองน ะ, ะรู้ซื่อซื่อการรู้ซื่อซื่อนี่อุชุกตารู้ซื่อซื่อ เห็นไหมเบอร์สิบเอ็ดตอนส่งไม้เผลอเบอร์สิเอดก็ใช้ได้นะอําเบอร์สิบสองที่กลัวไปหน่อยแล้วก็รู้สึกใจเต้นตุ๊บๆค่ะยิ่งไม่มาใกล้ก็ยิ่งแรงขึ้นยอยากให้ใจหยุดเต้นน ะ, ะรู้สึกไปเลยเบอร์นี้เบอร์สิบสามภานานได้ดีค่ะตอนเช้าตื่นมาก็รู้สึกแบบสดชื่นว่าแบบหายหายปริยาค่ะแต่วันนี้แบบ ช่วงเวลาเช้ารู้สึกมึนศีรษาค่ะก็เลยรู้สึกหแบบว่ามันมึนๆค่ะมันมึนแล้วใจเป็นยังไงก็รู้สึกเหมือนอยากนอนก็รู้ว่าอยากนอนอแล้วคิดว่านอนแล้วจะหายอะค่ะเออแล้วหายไหมก็ยังไม่ได้ไปนอนกะว่ากะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายใจสักนิดนึค่ะ ม, ม, มีเคล็ดลับของการภาวนานะถ้าอยากนั่งสมาธิอยากนั่งนิริตนั่งเ อยากเดินก็รีบเดินอยากยืนรีบยืนอยากนอนก็นั่งไว้ <c oughs> อิริยาบทนั่งเนี่ยมีคนบ่นเออรอริยาบทนอนเนียมีคนบรรลุธรรเหมือนกันแต่มีน้อยตามสถิติมีน้อยแต่ถ้าจําเป็นต้องพักก่อนอย่านอนนานนอนนีดหนึ่งเราสดชื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาถ้านอนนานแล้วจิตจะซึมจิตจะซึมซึมไม่ดีนอนเท่าที่จําเป็นกินเท่าที่จําเป็น นี่ความจําเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันอ้าวสอบไปตื่นเต้นค่ะอ่าแล้วคือรู้ไปเรื่อยตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ได้รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ใช่รู้ตลอดเวลาเราต้องมีเวลาไว้หลงบ้างไม่งั้นผิดปกติคือว่าหลงอะค่ะเออหลงเรารู้ว่าหลงเนี้รู้ไปเรื่อยรู้เล่นเล่นรู้เท่าที่รู้ได้นะ อย่าบีบคั้นตัวเองนะว่าจะต้องอย่างงน้นต้องอย่างนี้คำว่าต้องเลยไม่มีในสาระะบบเลยคำว่าห้ามก็ไม่มีสาระะบบเลยมีห้ามมันเดี๋ยวนะอย่าไปผิดศีลห้าแต่ทางจิตใจนะี่อย่าไปห้ามมันกิเลสจ่ เ, เกิดก็รู้มันไปไม่ต้องไปห้ามมันคนที่จะถามมันหลังๆเนี่ยจะได้เปรียบเพราจะบอกให้พอเริ่มรู้เรื่องแล้วจะได้ถามสิ่งทีง่จะไปทาต่อไปคนถามมันแรกๆจะขาดทุนนิดนึง อย่างเผลออยู่ในความคิดคานแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเกรงของโยมดีขึ้นแล้วล่ะอย่างเผลออยู่ในความคิดเรารู้จักแล้วใช่ไหมวิเศษที่สุดเลยคนในโลกนี้เผลออยู่ในความคิดตั้งแต่เกิดเลยไม่เคยรู้เลยเรียกว่าไม่เคยรู้จักตัวเองเลยถ้าเราหลงไปอยู่ในความคิดเรารู้ได้นะต่อไปเราจะหลุดออกไปจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงจิตก็จะตื่นเมื่อ16ใช้ได้พาวนานได้ดีเลยครับตอนนี้รู้สึกเครียดอ่ะครั บ, รบแล้วก็ มันเฉยเกินไปหรือเปล่าครับเฉยเกินไปที่หลวงพ่อว่าพานาดีแนละ้วคือรู้ทันตัวเองแล้วจิตมันไปกดให้นิ่งไว้คันนี้มีคําถามอีกนิดหนึ่งครับคือปกติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบางทีผมจะรู้สึกตัวว่าตัวเองรู้แต่มันไม่รู้ว่ารู้อะไรมันเหมือนอาการมันไหวๆขึ้นมาเฉยๆภาวนาดได้ดีแล้วอย่างที่หลวงพ่อเล่าเมื่อวานกันได้ไหม ที่หลวงพ่อเห็นไหวไหวไหวไหวนะเห็นตั้งเดือนเห็นจนกระทั่งเหนื่อยเลยทั้งวันทั้งคืนนะที่วิ่งไปหาหลวงพ่อพุดเมื่อวานได้ยึดฝังงแบบจะได้ไม่ต้องเล่าอีกนั่นแหละภาวนาดีแล้วคราวนี้ผลตรงนี้เนี่ยทําให้เวลาราย้อนนึกกลับไปว่าก่อนหน้านี้เรารู้สึกอะไรเราจะจําไม่ได้ไม่ต้องจําอดีตจบไปแล้วะรู้ปัจจุบันไปเรืร่อยๆเราก็จะเห็นว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วไม่มีอะไร มีแต่กลุ่มคลื่นของปรากฏการณ์บางอย่างไหวๆๆเขาก็ผ่านไปเท่านั้นนะไม่มีตัวมีตนอะไรที่แท้จริงเลยภาวานานได้ดีนะครับการสึกเกิดเป็นครับหัวใจเต้นตุบๆแล้วก็เมืาวานนี้ที่เลี้ยงแนะนำว่าเครียดมากนะครับก็จะเรียนถามหลวพอว่าวันนี้ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นครับ เมื่อวานพี่เลี้ยงบอกนะวันนี้ต้องไปถามพี่เลี้ยงสิงนี้หลวงพ่อก้อไปค้นข้อมูลเก่าดีขึ้นแล้วละ่ะเขาคุณมันติดสมาธินะแต่ว่าคุณปล่อยได้ในเวลาสองวันสามวันนี้เก่งแล้วละ่ะแล้วต่อไปนี้อย่าไปฟังคับมันไม่ต้องรักตีนะรักตีหามจั่วหนักนะ แต่ว่าเราเพียงแต่ไม่จิตศีลนะว่าจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลียนแปลงเกิดกิเลสเกิดอะไรเราค่อยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆนะกรรมฐานดูจิตดูใจเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองเพราะเราเป็นนักคิดแต่ละคนเป็นนักคิดในอภิธรรมก็สอนนะพวกคิธีจริตพวกทับคิดในคิดมากเหมาะกับการดูจิตหลวงปู่ดูลเคยบอกหลวงพ่อนะก่อนท่านมารณาภาพไม่นานท่านเคยบอกไว้บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมือง แต่นั้นเราฟังก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่เราเคารพครูบาจารย์เราก็ไม่เถียงถามว่าในใจเชื่อไหมไม่ค่อยเชื่อเข้าไปที่ไหนก็มีแต่คนดูกลายแค่ทุกสำนักมีแต่เรื่องดูกลายเวลานี้มันจะเริ่รุ่งเรืองขึ้นมาไม่ใช่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนแต่เดิมสังคมเราเป็นสังคมเกษตรคนชนบทเยอะคนทาไร่ทานาอะไรเงี้ย สิ่งที่เขาปรารถนาในชีวิตกนะ็คือความสุขความสงบในชีวิตอะไรเงี้ยวันๆไม่อยากไปคิดมากจิตใจที่เป็นพวกปัญหาจ ร, ริตเนี่ยรักความสุขรักความสงบรักความสบายอะไรพวกนี้ยต้องพิจารนากายเข้ามารู้กายนั้นคําสอนรุ่นก่อนที่ครูบาอาจารย์พาทำมาก็คือทําความสงบเข้ามาแล้วมาพิจารนากายถูกต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติของคนกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มที่เป็นปัญหาจ ร, ริต ส่วนกลุ่มของพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากเนี่ยจะไปทําความสงบขึ้นมาก่อนจิตจะไม่ยอมสงบเพราะจิตจะชอบฟุ้งซ่านแล้วก็ก็เลยต้องดูจิตใจเอาในอาภิธรรมสอนนะบอกว่าพวกตันหาจริตเนี่ยให้รู้กายไปเพราะกายเนี่ยจะสอนให้เห็นความจริงว่าไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายพวกตันหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพอมาดูกายแล้วก็จะหมดความยึดถืออย่างรวดเร็ว แต่การดูกายมีเงื่อนไขต้องทําสมาธิก่อนเพราะงั้นในแนวครูบาอาจารย์วัดป่าท่านให้ทําสมาธิก่อนนั่นถูกต้องแล้วเพราะงั้นเมื่อทําสมาธิแล้วต้องออกมารู้กายนะดูกายไปเรื่อยๆไม่ใช่ทําสมาธิเพื่อจะทําสมาธินะทําสมาธิแล้วต้องค้นคว้ารู้อยู่ในร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปเรื่อยนี่แนวหนึ่งสําหรับคนซึ่งรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดีแนวหนึ่งสําหรับพวกคิดมากษนะ์เขาเรียกว่าพวกพิทิจจิจรถนะพิธามสอนบอกว่าพิทิจจิจรถเนี่ยเหมาะกับ การดูดูจิตแล้วก็การดูจิตเนี่ยเหมาะกับสมถะย์เหมาะกับวิปัสสนาอย่างนี้เหนะมาคนที่ดูเลยไม่ต้องทาําฌานดูเข้าไปก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังเฉะนั้นการที่ทําความสงบแล้วดูกายจนเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นการปฏิบัติแบบที่เรียกว่าใช้สมาธินําปัญญาส่วนการดูจิตดูใจเนี่ยนะแล้วก็เกิดความสงบขึ้นทีหลังนะใช้ปัญญานําสมาธินะ ปฏิบัติมีหลายแนวทางทางใครทางมันแล้วแต่ว่าความสะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ทางใดผิดนะในที่สุดทุกคนก็จะมีทั้งสมาธิและปัญญาเข้าถึงวิมุติหลุดพ้นอันเดียวกันพอขึ้นไปถึงยอดเขาได้แล้วคราวนี้จะรู้แล้วว่าทางขึ้นเขาไม่ได้มีเส้นเดียวอย่างที่เราเคยคิดไว้อย่างคนที่กำลังไต่เขาขึ้นไปเนี่ยจะคิดว่าทางขึ้นเขาที่ดีที่สุดคือเส้นที่เราเดินอยู่นี่แหละ เพราะฉะนั้นแต่ครูบาอาจารย์องค์ใดนะถ้าท่านขึ้นยอดเขาเวลาเนี่ยเวลาท่านสอนนะท่านจะสอนกว้างขวางบางคนท่านก็สอนดูกายบางคนท่านก็สอนดูจิตท่านรู้ว่าทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องลอกเรียนแบบกรารวงพ้อเลยไม่จัดคอนะร์สนะผลิตนิสัยคนไม่เหมือนกันใส่หมอยังไงก็ไปทําเอาหลวงพอมีแต่ไล่ไปสี่โนโดภูเขาเรือนว่างเพรานั้นในยุคสมัยโบราณอย่างนี้ไม่มีไปสี่บ้านนุงเธอเองอะบ้านใครบ้านหมันไปทําเอานะ ตื่นเขานะไม่ยากหรอกถ้าจะเอาสมาธิก็ทําสมาธิพอจิตถอยออกจากสมาธิมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะจเจริญสติในชีวิตประจำวันเลยจนะยได้เหมือนที่หลวงปู่มั่นบอกว่าให้ทําความสงบไว้นะแล้วก็พิจารณายแล้วก็มาจเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าเอาแต่ความสงบแลก็เนิ่นช้าเอาแต่พิจรารณาก็ฟุ้งซ่าน ส่วนการปฏิบัติที่สําคัญที่สุดคือการมีสติในชีวิตประจำวันส่วนนี้แหละที่ทําให้บรรลุมรรคผลหรือไม่บรรลุมรรคผลไม่ใช่นั่งสมาธิเก่งหรือไม่เก่งนะคนละเรื่องกันอ่ะต่อไปถึงไหนแล้วไม่ไมทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกแรือเปล่ า, ลาถูกถูกดีขึ้นเยอะและ้วเหลือบังคับไว้นิดหน่อยรู้สึกไหมไปตรึงความรู้สึกของตัวเองไว้เล็กน้อยค่ะอยๆดูไปรู้ทันตัวเองต่อไปเป็นคลายออกเอง เบอร์สิหกหลงไปแนละ้วเบอร์สิหกเบอร์สิหกไปบังคับแรงเกินไปนะเวลาเรารู้สึกตัวให้มันคลายคลเบอร์สิบหกอะนะให้มันผ่อนคลายวันนี้นี่รุนแรงเกินไปรุนแรงเกินไปนะเราดูจิต ด, ดูใจเหมือนเราจับนกสักตัวหรือจับลูกแมวอะไรเงี้ยจับแรงแรงมันตายนะจับเล่นๆจับหลวมไปเดี๋ยวมันก็โดดหนีไปเอหมือนเราจับลูกแมวสักตัวนะประทองประทองแค่แค่รู้สึกแค่รู้สึก เขาควรจับแรงไปเบอรอสิบเก้าเสิการรรรนท่านอาจารย์ค่ะขอโปรดแนะนำํำขอโอกาสโปรแนะ น, นําแนวทางที่ปัจจุบันณะปัจจุบันนะเจ้าค่ะปัจจุบันเหอเรอก็รู้สึกตัวสินะการปฏิบัติ ก, ก็มีแต่ปัจจุบันแก็ถูกแล้ว <c oughs> ตอนเนี้ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมหนีวิคิดเจ้าค่ะใจไปคิดเราก็รู้ทันมันเจ้าค่ะ ให้ให้พยาให้ให้เห็นไหมให้เห็นนะปัจจุบันนะเจ้าค่ะสังเกตไหมใจมันมันมันมีความต้องการจะพูดขึ้นมาแต่มันไม่แรงเป็นความอยากพูดบางๆไม่แรงบางคนอยากพูดแรงกว่านี้ใจเราเป็นยังไงเราเคยรู้สึกเลยด้วยบองพคนยังบังคับตัวเองแรงเกินไปนิดนึงให้ทายนะเจ้าค่ะให้ทายกว่านี้อีกนิดหน่อยนะพอดีเลยใช้ได้ละเจ้าค่ะเบอร์ยี่สิบเครียดไหมเบอร์ยี่สิบ คนที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ใช่ผ่านไปเลยนะเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์สี่ลงนะเบอร์แปดก็หลงนะเบอร์สองก็เสือไปนะเบอหนึ่งนี่พอสบตาหลวงพ่อเลยลีบรู้สึกนะอ่ะเบอร์ยี่สิบก็แค่จะพักเมื่อใหม่มาถึงแต่ว่าใช้ได้นะใช้ได้นะามาคืนใหม่มานะหมดยี่สิบคนแล้วใช่ไหมคุณตา อ้าวๆร้อ้วยอ้าวคว้าไปโยมฟุงไมทุกค่ะอือมันเขารู้สึกว่าเก็บมันมันเก็บใ่ความรู้สึกไว้ทั้งตื่นทั้งหลับทำใจให้สบายๆนะไม่ดีก็ได้แต่ห้ามชั่วห้ามชั่วคืออย่าไปผิดศีลห้าท่านั้นแหละส่วนใจเราเราไม่เก็บกดมันจะชอบมันจะชังนะรู้มันไปเรื่อยๆของโยมมันเป็นคนเครียดเกินไปนิดมัน ลอยๆรู้เล่นๆไปแล้วที่นั่งสมาธิช่วยได้ไหยเจ้าค่ะไม่ได้ช่วยว ย, ยิ่งนั่งยิ่งเก็บกดสิเวลาเรานั่งสมาธินั่นใจเรามีความสุขมีความสงบพอออกมากระทบโลกแนละ้วโลกร้อนยิ่งกว่าไปรุนแรงคืนขึ้นมานะทางนี้เท่าอุตส่าห์ม า, มาแต่เช้าวัละยี่สิบฟอมีแค่หกสิบเองใช่ไหมพรุ่งนี้ก็หมดละพอค่ะเออ มาเป็นครั้งแรกนะคะฟังเสียงีหลวงพ่อตลอดก็ได้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัตินี่ถูกต้องไหมดีไปฝึกอีกนะค่ะอยู่ที่ไหนเอออยู่กรุงเทพ ค, ค่ะนี่ไปรวมกลุ่มกับเขาแน่เลยแล้วก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อบางครั้งรู้สึกกายในตอนกลางคืนนะคะ่ะรู้สึกทั้งคืนเหมือนออนไม่หลับเป็นปกติเป็นป ก, ต, ปนปกติแล้วคะ่ะก็ต้องปล่อยไปเ อ, อ ก็ดีแล้วนี่เราได้รู้สึกทั้งวัน <c oughs> ทั้งคืนก็ดีแล้วปรเด็ก็ต้องจิตต า, านะแล้วอย่างเวลานั่งสมาธินี่รู้สึกทุกข์มากเลยะคะ่ะอืมในจิตเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะคะเราไปนั่งข่มเหมือนกันไหนนั่งให้ดูซิส่งไป ม, มาเบอร์สี่สิบห้าแล้วก็คุณนั่งสมาธิไปอ่าเบอร์สี่สิบห้าส่งกันบ้างครับก็เหมือนไม่รู้อะไรอนระับหลวงพอ่อใจมันกระแดิกระจายไปนิดนึงมันเบาเกินไป ให้มีวินัยนะหรือไม่ก็พุโทโธไปก็ได้พุโทโธไปเรื่อยพุโทโธพุโทโธแล้วก็ไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปครับแล้วจะฝุดสายเรื่องอะครับหลวงคอเรื่องคือผมจะมีแบบกิจกรรมอย่างว่างคือพวกเล่นของแอปหนึ่งนะแอปหนึ่งคุณเบอร์สิบห้านะนั่งอย่างนั้นมันทุกแน่นอนเพราะคุณผมจิตตัวเองให้นั่งดูจิตตัเองไม่ใช่นั่งบังคับจิตตัเองนะถ้านั่งอย่างนั้นมันบังคับ ไม่มีความสุขหรอกมันก็เครียดขึ้นมานั่งเล่นๆสิลืมตานั่ง่านี้เป็นไหมนะนั่งแล้วก็รู้สึกไปรู้สึกไปนะแล้วพระพุทธเจ้าสอนอนี่นะที่สูตรทั้งหลายให้คู้บันหลังคู่บันหลังก็นั่งขัดสมาธิทําไมต้องขัดสมาธิเพราแขกยุคโน้นไม่ค่อยมีเก้าอี้นั่งมนะันะ้งะถ้าเรานั่งเก้าอี้เราก็นั่งเก้าอี้อ่อนนั่งตรงๆนะคู่บันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้า หมายถึงอะไรเกิดขึ้นก็รู้ในกายในใจรู้ไปเรื่อยถ้าไม่ได้สอนว่าให้หลับตานะแม้พอเราเริ่มต้นเรา ก, ก็หลับเนี้ยแล้วก็กดทันทีรู้สึกไหมพอหลับตาแล้วก็กดเนี้ยอย่าให้มันลิ่งอ่ะคืออย่างบางครั้งสึกตออาใหม่ใหม่เอออย่างบางครั้งสึกตัวเล็กหรือตัวใหญ่ยังเ ง, ง้คคุณลดใหม่ลงนิดนึง อออย่างบางครั้งรู้สึกตัวลอยหรือตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะกะพยายามไม่ละมันทิงไม่ละอย่าไปทําต้นทางสิค่ะต้นทางมันก็คือไปทําสมปทาเข่งไปเข่งไปนะอาการของปีติมันก็เกิดค่ะตัวลอยตัวใหญ่ตัวเล็กตัวโป่งตัวเบาตัวหนักค่ะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าอย่างเวลาเราเล่นคอมอะไรแบบนี้มันไม่เกิดสติอะครัไม่เกิดหรอก เพราะว่าเวลาเล่นคอมนะเราไม่ใช่สักว่ารู้สักว่าเห็นใช่ไหมเราก็ต้องอ่านต้องคิดต้องอะไรในขณะที่คิดจไม่มีสติหรอกถ้าอย่างนั้นคนจะเลิกเล่นเกมเล่นอะไรโอ้เลิกเล่นได้จะหนุโมทนานะ <c oughs> อย่าไปเล่นไปเสียเวลาถ้าเหน็ดเหนื่อยมากๆเครียดมากๆอะไรเนี่ยเล่นนิดหน่อยพอพักผ่อนนะเล่นพักผ่อนบ้างไม่เป็นไร แต่เล่นแล้วหมรุ่งหำค่มมาเมื่อก่อนมีเกมอะไรนะอะไรเอออะไรนรกอะไรนระกจริงๆอะไรช่วงทำงาน2องสามาทิต์ก่อนเนี่ยจะโมหะสูงมากเพราะว่ามันต้องใช้ความคิดปัจจุบันพอได้พักปุ๊บมันมีช่วงโทสะเกิดขึ้นเยอะพื<ด>้นฐานโทสะขึ้นมาที่ใจภาวนาอยู่ใช้ได้ละเบอร์สี่สิบห้าก็ดีนะสี่สครับ อรู้สึงมันหลุกหลิกหลุดหลกยแล้วก็้าค่งพ่อแต่ว่าเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเป็นมาตลอดเนี่ยเดียวมันไม่ถึงฐานรู้สึกไหมหลุกหลิกแต่ไม่ถึงฐานถ้าหลุกหลิกแล้วใจเราก็สักว่ารู้สักว่าเห็นถึงฐานอยู่ได้ก็ใช้ได้เราจะเห็นร่างกายมันหลุกหลิกเราไม่ได้หลุกหลีกหรอกถึงไหนนะ้วทนี้หมดแล้วนี่เอาคืนสุเมก็ได้ครับ เระเช้าปิติครับตอนนี้เบิกบานแต่ก็เห็นใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนม า, าดูไปนะจะหาคนหลายใจอย่างคุณสุมเมศยากนะแต่มจะเปลี่ยนตลอดเวลาเขาเจ้าตัวเขาเห็นใช่ได้นี่ลูกศิษย์หลวงปู่ศิลปค่ะเมื่อวานหดหูวันนี้ดีใจดีใจมากเพราะว่าวันนี้เจอหลานใยโดยไม่ได้ตั้งใจเจอที่ไหนไม่ได้นัด ก, กันทุกทีก็ดีใจมากก็ดีใจแล้วพอใหม่จะมาแล้วใหม่ไม่มา ก็ตกใจใบไปเลยนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็พี่เหลียงแล้วก็เพื่อนๆดูแลดีจนหายบ้าแล้วไม่ได้เป็นบ้าอะไรหรอกเครียดไปเนอะ <c oughs> เราอย่าเชื่อผีนะอย่าผีมาเป็นเจ้าัวใจเราเคยมีตอนนั้นคนไปถามหลวงปู่เทศบอกพวกไสยศาสตร์มีจริงไหมหลวงปู่บอกก็มีนะมี แล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปให้ความสําคัญบางทีแม้พวกคอมเมนเนี่ยคนคอมเม น, เ น, เน่ะเล่นไสยศาสตร์เก่งแต่ทําไมแพ้ฝรั่งเศสปล่อยคุณใส่อะไรนะไม่ยอมเข้าฝรั่งก็ทีนะป <c> ล <oughs> ่อยไม่เข้าเพราะ อ, อะไรเพราะฝรั่งไม่เชื่อถ้าเราไม่เปิดใจรับนะเข้าไม่ได้หรอกไม่เชื่อมันนี้คนไทยเราเราเชื่อเรื่องผีเรื่องสางอะไรเราน้อมใจอยู่แล้วบางทีผีไม่เข้าเราเราก็เข้าผีนะเราก็ เราก็ทําขึ้นมาเองเดี๋ยวพวกเข้าท่งนะส่วนมากนะถ้าไม่แกล้งหลอกแล้วก็สะกดตัวเองเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็ไม่ได้มาเข้าง่ายๆหรอกเคยมีนะมีสํานักหนึ่งเข้าเข้าท่งเจ้าแม่นวลเจ้าแม่นวลเมียพันท้ายนรสิงห์แต่กลัวเมียพันท้ายนรสิงห์น่ะจริงๆชื่ออะไรไม่มีใครรู้หรอกแต่เขาแต่งนิยายแต่งละครพันท้ายนรสิงห์นะเขาก็เมคแม่นวลให้มาเป็นเมียพันท้ายนรสิงห์ นี่ก็ไปเข้าทรงแม่นวนตัวละครนะมันอยู่ที่ใจนะถ้าใจไม่เชื่อไม่มีความหมายใจแข็งแข็งไว้อย่าสนใจอย่าฝรั่งมันไม่กลัวผีมันกลัวจิงจกตุ้กแกอะไรอย่างเงี้ยผีเลยไม่หลอกมันดอกพระอาจารย์ก็ค่เราให้พระอาจารย์ขอโอกาสให้พระอาจารย์ช่วยให้ใหเคดให้เยอะๆหน่อ ย, ยพุดโธไว้้น่ๆนะแล้วทำใจให้สบายห ถ้าพุทโธแล้เครียดก็ไม่เอาทําใจให้สบายไว้ก่อนตอนเนี้ยทําใจสบายแนละ้วชมนกชมไม้ไปมีความสุขแล้วรู้ว่ามีความสุขออกไปสัมผัสโลกอยู่ในที่โลกที่อะไรเงี้ชมนกชมไม้ไปให้จิตใจเบิกบานโล่งโล่งโปร่งโรมีความสุขแล้วก็ค่อยรู้ว่างแต่มันไม่ค่อยทันเวลาเครียดเลยเอะคะ่ะเราต้องฝึกตอนที่ยังไม่เครียดตอนที่เครียดแล้วทําไม่ได้หรอกตอนที่เครียดแล้วก็ไปพักผ่อนซนะ เคยร้องเพลงหรือเพลงหนึ่งร้องเป็นไหมชอบร้องใช่ค่ะเออเวลาเท่ๆก็ร้องเพลงไปที่ผ่านมาจะมัวเยอะค่ะตอนนี้มัวลดลงกตบเพ่งเป็นระยะระยะเลยค่ะใช้ได้ใช่ได้ไดอได้อีกหนึ่งคนออาคุณหน่มก็ได้ครับ ก็ไม่ไม่มีอะไรนะก็เบิกบานรับม้วนดีนะไม่มีอะไรนะทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอนัตตาใช่ไหมเป็นไม่เป็นสกลงโนนผมเป็นไงเป็นอะไรก็ได้นะครับหรือว่ไม่ดีไม่เป็นเป็นอะไรก็รู้ไปนะครับดีแล้วเอาเบอร์ยีิบเจ็ดเบอร์ยี่สิบเจ็ดไหนไหนก็มาใกล้แล้วไม่ทันตั้งหลัก ท, ที่ผมทําอยู่นี่เป็นเป็นไงมาครับใช้ได้นะแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ออนนี้เปร็งนะครับเลือออกไหมไม่ออกครับหลวงพ่อดีใจด้วยนะชาวไฟฟ้านะมาฟังวันที่สองนะจิตตื่นขึ้นเป็นส่วนใหญ่แนละ้วจะมีร่องรอยบางคนหลงติดอยู่กับการเพ่งบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยลดลงไปเยอะแล้วนะแต่เมื่อวานช่วงแรกๆกยังไม่ยอมเลิกนะคิดว่าต้องเพ่งไว้ก่อนแล้วจะดีทีหลังครูบาอาจารย์สอนมาไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ ไค่อยฟังไปเอาวันนี้ได้แค่นี้เชิญโยมไปเชิญกลับหญิงห้อยไป